ต้องถอนสมอเรือกันต้องถอนสมอที่ผูกรัตจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับการหาราบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกยกันถ้าไม่ถอนสมอเรือนี้ถ้าไม่ถอนสมอใจนี้จะไปไม่ได้ใจก็จะติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไป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 ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนีเ่เวลาที่ได้เสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์ยังไม่สามารถหยุดเสพลาบยศสรรเสริญหยุดเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลภพได้ถ้าไม่มีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรม คือความสงบที่ชนะรสทั้งปวงจะยังไม่สามารถที่จะถอนสมอเรือถอนสมอใจได้ยังจะติดอยู่กับราบยศสรรเสริญยังจะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้มาศึกษาแล้วเราจึงควรที่จะทุ่มเท ให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในระยะแรกๆจะเป็นแบบมือสมัครเล่นเช่นมาปฏิบัติเป็นช่วงๆในวันหยุดก็ขอให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังเถิดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับโรสแห่งธรรมนี้ย่อมมีเสมอเมื่อปฏิบัติถูกแล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน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 เพราะถ้าใจเราได้คิดแล้วมันจะไม่มีวันสงบได้เมื่อมันไม่สงบมันก็จะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงมันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทนรสของราบยศ ส, สรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลตถ พ, พะพอกลับไปจากการปฏิบัติก็จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไป กลับไปหาลาบยศสรรเสริญต่อไปเพราะไม่มีลดแห่งธรรมมามาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองถ้าเราได้ลดแห่งธรรมแล้วได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วแม้จะเป็นเพียงเชื่อขณะเดียวก็ตามมันจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเป็นอย่างมากจะสามารถทำให้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 ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาแล้วก็ไม่เรากไไ็ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติผลมันก็เหมือนกันการศึกษานี้มีเป้าหมายศึกษาเพื่อให้นําเอาไปปฏิบัตินถ้าไม่นําเอาไปปฏิบัติก็อย่าไปศึกษาให้เสียเวลาศึกษาไปแล้วก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใด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 คำสอนที่ทรงโปรดแสดงให้แก่ปัญจาวาคัคคีย์คำสอนที่บอกทางสายกลางให้แก่ผู้ปฏิบัติให้เห็นว่าการดับความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องดับด้วยมรรคที่มีองค์แปดไม่ใช่ดับความทุกข์ด้วยลาบยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายอย่างคนส่วนใหญ่เขากระทำกันทุกวันนี้เขา แสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันก็เพราะเขาคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเขานั่นเองคิดว่าเมื่อมีลาบมียศมีสรรเส ร, ริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เสพแล้วจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์กันแต่ความจริงมันกลับเป็น ตรงกันข้ามกันพอมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็ต้องมาทุกกับลาบยศสรรเสริญต้องมาทุกกับรูปเสียงกลิ่นลดอีกสู้คนที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญ ไ, ไ, ไ, ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดก็ไม่เดือดร้อน เวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดให้เสพแต่คนที่เสพรูปเสียงกลิ่นลดคนที่เสเพราบยศสรรเสริญเวลาที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดผดธพะให้เสพเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่คือไม่ใช่วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไป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 ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาพรต่างๆพิธีกรรมเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้พระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองอดพระกยอาหารถึง49วันมาแล้วก็ทรงเห็นว่ายังดับความทุกข์จากพระไทยของพระองค์เองไม่ได้ทรงเคยดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาราบยศสรเศรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายในฐานะของพระราชกุมาลในฐานะของลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระไัยของพระองค์ได้เวลาคิดถึงความแก่ที่ไยเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เวลาคิดถึงความตายที่ไยก็มีแต่ความไม่สบายใจให้พระองค์ได้สัมผัส พระ อ, องค์ก็เลยรู้ว่าการดับความทุกข์ด้วยการเสพราบยศสรรเสริญเสเพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้ไม่ได้เป็นทางสู่การดับทุกข์และการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆเช่นอดพระกายอาหารถึง4ีสบเ้าวันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์ได้จนในที่สุดพระ อ, องค์ก็ส่งพบทางสายกลาง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 ภายในใจได้อย่างเส้นเชิงนี่คือความคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีในครั้งที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกพอผูด้ได้ฟังคือหนึ่งในพระปัญจวัคคีพอได้ฟังใจก็ได้บรรลุอริยผล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 และวิภาวะตัณหานี่เองพอละกามตัณหาได้ละภวะตัณหาได้ละวิภวะตัณหาได้ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์นี้เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย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 เอาปัญญาที่พระเจ้าทรงตัดสโลนี้มาปฏิบัติมาใช้ดับความทุกข์ใจได้จำเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ยังจะไม่สามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาละตันหาทั้งสามนี้ได้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม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 ละความอยากทั้งสามที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอพระปัญจวัคคียค์ได้ยินได้ฟังหนึ่งในห้ารูปที่มีความฉลาดกว่าอีกสี่รูปเข้าใจคำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดสามารถเข้าถึงอนิจจัง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 มีปัญญาบอกให้หยุดถ้าหยุดได้ต่อไปตัณหาความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจเมื่อไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปใจก็จะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่ปรมมะสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตการไม่มีสิ้นสุด ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกนี้มีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะ น, นี้พระทัยของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายก็ยังมีปรมังสุขขังอยู่ไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังละตันหาไม่ได้ละกามาตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาไม่ได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็มีแต่ปรมังทุกขังกัน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 สร้างราบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลล้นกายกันอยู่ถ้ามวัวแต่สร้างราบยศสรรเสริญสุขอยู่พอเวลาเจอพระมังทุกขังขึ้นมาจะไม่มีอะไรมาดับมันได้นี่การมาศึกษานี้เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันนั่นเองการศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องหยุด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 เมื่อได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้แล้วก็จะเกิดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะสามารถถอนสมอเรือได้สามารถละการหาลาบยศสรรเสริญละการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้แล้วจะได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อย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 ก็จะทิ้งไปหมดแล้วจะได้ไปหารดแห่งธรรมได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาก็จะไปเป็นนักบวชกันไปถือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยบเจดกันแล้วก็จะเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลานาที่ไม่ต้องทำงานทำภารกิจอะไรก็นั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมไปสลับกันไป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 ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาดัางนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวกลัวก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงถ้าถึงเวลากา ร, รจะแสดงมันก็ต้องแสดงไปถึงเวลาจะตายมันก็ต้องตายไปดังนั้นเราไม่ต้องไปทําพิธีกรรมบ้าบอคอแตกทายทักอะไรทีก็ไปทำกันทีวุ่นวายไปหมด แล้๋ยวเขก็ทักว่าชื่อนี้ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อกันเขาว่าทักว่าทรงผมนี่ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนทรงผมกันบ้ากันไปหมดนะครัความจริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็คือดีชั่วอยู่ที่กรรมของเรานี่แหละเราทําดีเราก็ดีเราทําทชั่วเราก็ชั่วอแต่เวลาชีวิตเราตกต่ำก็เพราะมันเป็นวิบากกรรมของเราแึ่เวลาเราเจริญก็เป็นผลบุญของเรา ถึงเวลาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครทั้งนั้นแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดีอไปจุดธูปมันก็ไม่ได้ไปทําให้ไม่ป่วยหายป่วยได้เหรอจุดธูปแล้วหายตายได้ธูปก็ขายดียิ่งกว่าหมอคําถามเจ้าคุณโสพิตาหนูมีปัญหาว่า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 หนูควรทําอย่างไรดีคะเราก็ต้องล้างก่อนที่แม่เขาจะมาล้างมาซิทำเป็นทำเป็นเฉยชาพอแม่พอแม่จะล้างก็เลยมาช่วยแม่เขาก็เลยแม่เขาก็เลยก็ว่าอย่ามาช่วยดีกว่าถ้านช่วยแบบนี้อย่มาช่วยดีกว่าถ้ามาช่วยมันต้องเร็วกว่าแม่เห็นไหมแม่มัน แม่ยังนั่งอยู่ก็รีบไปล้างก่อนแล้วอย่างนี้ถึงจะถูกมาทําแบบเฉยชาแบบว่าไม่อยากจะทำมาม่ก็เห็นแล้วเขาก็เบื่อไม่ใช่แล้ล้างเองดีกว่าสบายใจกว่าคำถามจากผู้ฝากถามลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์ไม่สนใจไม่ไต่ถามจะมีโอกาสได้รู้ทำเห็นทำเหมือนลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์สนใจไต่ถามไหมคะมันแล้วแต่ เหตุผลของการต่าถามท่านมีเหตุมีผลของท่านนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าต่ายถามหรือไม่ต่าถามบาคนบางคนเก่งแล้วไม่ต้องไต่าถามคนที่ไม่เก่งก็ต้องถามคอยเตือนอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่ไม่ได้ถูกต่ายถามน่าจะเก่งกว่าคนที่ต้องถูกต่ายถามอยู่เรื่อยๆคําถามจากคุณเก๋ไก่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 หันมานั่งสมาธิไปดูตรงนั้นความเยน็นเย็นและแสงสว่างมันหายไปค่ะมันเป็นจิตที่หลอกใช่ไหมคะแล้วจะทํายังไงต่อไปคะก็อย่าไปสนใจมันให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปให้มีสติอยู่กับการทํางานของเราไปเวลาเรารับประทานอาหารก็มีสติอยู่การรับประทานอาหารส่วนอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้ก็กอย่าไปสนใจ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 เขาอยากจะได้อะไรจากเราเพื่อจะได้หายโกรธหายเกลียดแต่เขาเราไปชนรถเขาพังนี้เขาก็ต้องมาเรียกร้องค่าเสียหายถ้าเราชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไปเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเรา่างนั้นก็สำหรับคนที่อยู่มีเวรมีกรรมกันก็ต้องไปเจราจากันเพื่อที่จะได้ยุติจะได้มีสันติภาพเกิดขึ้น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 หมดแล้วเนะี่ยมีใครอยากจะถามไหมเจ้วนี้ถามได้นะเดี๋ยวเแเราอย่าถามน ะ, ะครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook ไลฟ์นะครับคำถามแรกจากคุณอุจังนะครับ หนูเริ่มปฏิบัติธรรมได้ประมาณหนึ่งปีแล้วเพื่อนๆร อ, อบข้างหนูบอกว่าหนูเปลี่ยนไปมากให้หนูยึดทางสายกลางหน่อยเราเป็นคารวาสไม่ใช่พระไม่ใช่ชีสิ่งที่หนูทำคือจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันถือศีลแปดวันพระวันพระบางครั้งก็นอนวัดรับศีลบ้างเสาร์อาทิตย์ไปวัดไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคาว่าทางสายกลางนี้คืออะไร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 จิตอยู่กับที่ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อเขาบอกให้พิจารณาร่างกายทำไม่ได้ค่ะก็เวลานั้นมันจะไปทำอะไรได้นั่งเขาเพื่อให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วจะไปทำอะไรได้ก็ต้องการให้มันนิ่งนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันเน่ยให้มันนิ่งเพาะฉะนั้นเวลามันนิ่งแล้วก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปให้มันทาอะไรให้มันได้พักผ่อนเหมือนกับร่างกายนี่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 นอนให้มันพอให้มันอิ่มให้มันเต็มที่ um พอมันนอนจน right มันไม่อยากจะนอนแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาเองจิตก็เ ห, หมือนกันพอมันนิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งของมันไปให้เต็มที่เดี no ๋ยวมันเดี๋ยวมันนิ่งพอแล้วมันก็จะออกมาเองออกมาคิดนาทำคิดนู่นคิดนี่ตอนนั้นแหละเอามาทำงานต่อมันพร้อมที่จะทำงานแล้วแต่ตอนที่มันนิ่งมันยังไม่พร้อม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 มันไม่ได้เป็นมันเป็นของเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาความว่างมันให้ความสุขกับเราถ้าใจเราไม่มีความอยากตับสิ่งต่างๆถ้าเรามีความอยากกับความว่างเพียงอย่างเดียวเราก็จะสุขไปตลอดนิพพานังปลมังสุญญ์ยังอุตเจ้าบอกอยู่กับความว่างคือปลมังสุขขังคาถามจ้าคุณโมยูนะครับวิธีละความกโกรธอารมโมโหแบบ ขุนหันพันแล่นได้ดีที่สุดทําอย่างไรคะก็พุทโธไปหรือเดินออกจากสถานที่ที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปอยู่ใกล้กับเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธไปเข้าห้องน้ำเสร็แล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าอยู่ห้องน้ํายังไปดึงเขาเข้ามาในห้องน้ําด้วยก็ไล่เขาใจพุทโธไล่ไปอย่ตามเข้ามาฉันกําลังเข้าห้องน้ําอยู่คําถามจะคุณ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 ไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันแล้วก็การไม่เขารบการลบหลู่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความบาปเป็นการไม่เหมาะสมเท่านั้นเองการที่เราไปลบหลู่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเรานี้มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะทำไ ม, ไม่ได้เป็นเหตุของความเจริญเป็นเหตุของความเสื่อมแต่มันก็ไม่บาปนะบาปมันมีอยู่แค่ห้าข้อนี้คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์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 ว่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามี บ, บทลงโทษว่าจะทําอย่างนี้พอไม่ทําต้องอดต้องอดข้าวเย็นและ้ะหรืออดเที่ยวแล้วอดดูละครและ้ะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาลงโทษมันก็จะทําให้เราเข็ดดาบแล้วก็จะได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําได้คําถามข้อต่อไปจากคุณพรฐานานะครับ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 ถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเหนือสามเดือนนี่ยังอยากจะไปเที่ยวที่ไหนว่าะเพียงแต่เราไม่คิดถึงความตายกันนั่นสิก็เลยยังอยากเที่ยวยังอยากได้นู่นอยากได้นี่กันะยั้นถ้าเราท่องความตายตา ย, ตายได้ทุกได้ได้แานพุทโธได้ยิ่งดีใ่โกจะท่องไม่ได้นยโกจะกลัวกันเพราะคนบางคนเห็นคําว่าตายได้ยินคําว่าตายคําเดียวก็จะเป็นลมนะ แต่ถ้าเป็นเจติจของเราก็แสดงว่าจิตของเราแข็งดีแก่ก็สามารถรับความจริงได้ก็ใช้การบริกรรมตายตายไปก็ได้เหมือนกับพระเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาก็เหมือนกันให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะกำจัดความโลภ ก, กดหลงไปได้อย่างมหัศจรรย์เลย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 อยากจะรักษาใจมากกว่าแล้วเพราะตอนนั้นใจเครียดมากอยากจะให้ใจสงบให้เป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เจ็บไายได้ป่วยดังนั้นถ้าใช้คำว่าตายเป็นคำบริกรรมได้ก็ดีคำถามจากคุณลอยนะครับน้องชายกำลังพบวิบากกรรมภรรยาขอแยกทางและต้องจากลูกตอนนี้ไม่มีงานทำ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 แต่ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับสอนตายเหมือนสอนเมื่อกี้ว่าต า, ตายตายตายก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งเกิดมาแล้วต้องเจ็บไายได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาพ อ, อาท่องจำท่องหนีไปเรื่อยๆพอป่วยก็จะไม่ทุบพอตายก็จะไม่ทุกคำถามข้อต่อไปจากคุณชานะครับผมมีอาการปวดท้องอยู่ตลอดเป็นโรคประจาตัวตอนนี้ ตอนที่นั่งสมาธิก็ยังปวดจิตไม่สงบควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อจะให้จิตสงบได้ครับก็ไปหาหมอสิปวดท้องก็ไปรักษาให้มันหายก่อนหายแล้วค่อยมานั่งหรือว่าถ้าเรามีจิตแข็งเราก็อย่าไปสนใจกับความปวดท้องให้นั่งไปดูลมไปหรือท่องบริกรรมพุทโธไปถ้าจิตเราจดจ่ออยู่กับพุทโธได้หรือจดจ่ออยู่กับลมได้ อาการปวดท้องก็จะไม่มารบกวนเราเพอจิตสงบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความปวดท้องแล้วดีไม่ดีความปวดท้องอาจจะหายไปก็ได้เพราะโรคบางอย่างมันเกิดจากความเครียดของเรามากกว่าเกิดจากอะไรเพราะจิตสงบหายเครียดโรคที่เกิดจากความเครียดมันก็หายตามไปได้คำถามจากคุณสมมาตรนะครับอยากขอให้พระอาจารย์แนะ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 เช่นให้เราเลอกอยู่เสมอว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติและปัญญาควบคู่ ก, กันไปหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พุทโธพุทโธไปจิตก็จะสงบได้ก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้ว่า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 ให้พุโทโธพุธโทโธไปดึงใจออกมาจากความคิดที่ทําให้เราเกิดความมาฆาาพยาบาทคืออย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงบุคคลที่ทาให้เราโกรธให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วเราก็จะลืมเรื่องของความโกรธได้แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อยู่ดี เพรเวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นทีไรก็จะโกรธขึ้นมาทุกทีแต่ขั้นต้นก็ให้ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วขั้นต่อไปเราจะได้เห็นโทษของความโกรธว่าเวลาโกรธแล้วใครทุกข์คนที่ถูกข์เราโกรธก็ไม่ได้ทุกข์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้คนที่ทุกข์ก็คือเรานี่แหละงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาแล้วเท่นี้เราก็จะหายโกรธคิดถึงเขาทีไรก็จะไม่โกรธ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 พองินหมดก็จะไปหาเงินหาทองมันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาที่คุณพูดว่าทําภาวนาแล้วมาทําทานคุณหมายถึงทํานิดหน่อยมั้งสักสิบบาทยี่สิบบาทนี้ถ้าทําแบบนี้อย่าไปทไําให้ะมันเสียเวลาที่ให้ทํานี่คือให้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำเช่จนจะไปเมืองนอกหมดสักกี่หมื่นกี่แสนเอาเงินนั้นแหละไปทำไปทําทานจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิไปภาวนาได้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 ให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วพอใจสงบของพวกนี้มันก็จะหายไปมันไม่มีนัยยะอะไรไม่มีความสําคัญอะไรแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วก็จะเสียสมาธิเสียสติจะไม่จะไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้ยันเราอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือให้สนใจสนใจอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คําถามก็หมดแล้วนะ